ัตาเสียงสัมผัสหนึ่งดนสัมผัสหนึ่งรสสัมผัสลิ้เย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสการแล้วก็นำสิ่นเหล่งนี้ไปเป็นอารมณ์ของใจที่ที่อยากจะยำมานี่เราสิ่นเหล่านี้เป็นสาเหตุที่จะให้พีเหล็กดงตัวออกมา ใหเห็นอย่างชัดเจนจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะรู้เกียวกับงนูเครื่องสัมผัสหรืออารมณ์กับสิ่งนั้นๆเกิดึ้นจากสิ่งที่เคยสัมผัสซ้ำเป็นอดีตลงไปแล้วนั่นแหละเข้ามาสัพัานายในจิตใจทําให้คุณคิด ต, ตั้งแต่เรื่องที่เหลือกันหาเพราะผูกมัดตัวเองเข้าไปในเรื่องเค็ื่อนละทาเจา้งขยันเลยผู้ปฏิบัติ จึงต้องสังเกตเรื่องของจิตในขณะที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพัสจะเป็นทางรูปเสียงกลิ่นรสทางไหนก็ตามต้องจดจ้องอยู่ที่จิตการแสดงอัคคติยาต่างๆไปตามเหติการณ์ที่มาเกี่ยวข้องเราปรปาศพิจิตรมีสติเป็นผู้คอยจดจ้องมองดูไม่ทราบว่ามีชั่วพิจิตรประการใดมีปัรดาเป็นเครื่องไข่วนขคิพุติญาณ แยกแยกกันออกหรือตัด ก, กันออกในสิ่งที่รือว่าไม่ไดีรับความปฏิบัติโดยการรักษาโดยรักษาอย่างนี้ปฏิบัติยอย่างนี้อยู่ทุกเรียาคุณนั่นเชื่อเป็นผู้รักษาตัวด้วยดีนี่ในปฏิบัติมานานถามมาพอสมควรพอเรื่องหรือเปล่าสิ่งนี้ทั้งโทษทั้งขุ่น ไม่มีสิ่ใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ายิเลสที่ฝังตรงภายในใจเพราะฉะนั้นงานอันนี้จึงต้องทุ่มเทกาลังลงไปเต็มที่เต็มฐานถึงกับต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มีในบางครั้งถ้าไม่เช่นนั้นก็หาความสามถไม่ได้เข้าเข้าใจในสิ่งที่ควร สิ่งที่เราต้องการไม่ยากจริงต้องอาศัยความหนักเบาทุ่มเทกันอยงในบางการบางเวลาถ้าจิตใจกําลังผาดโผล่วดเต่ง น, นั่นยิ่งเป็นเวลาที่เราจะต้องฝึกตำมานกันอย่างห น, นเราอย่าพร้อมกําลังอย่าสร้างเหมือนกําลังไว้ซึ่งเป็นการโอนอ่อนต่อเรื่องของกิเลส เแข็งเป็นก็เป็นตายก็ตายขึ้นชื่อว่าโทษแล้วจะไม่เป็นคุณแต่อย่างไรนี่ก็คือว่าขึ้นชื่อว่าก่เหลสแล้วจะทำคุณกให้เราไม่ยากจะมีแต่เที่ยงแต่น้าทิ่งแทงขึ้นมาเพราะฉะนั้นแหนจะรักจะชอบจะพอใจขนาดไหนก็ต้องฝืนจิตฝืฝนใจต่อผู้แยกแยกขนออเต็มทัติกำลัความสามารถ ด้วยสติสัญดาของตนที่มีสติปัญญาที่ยังไม่มีก็พยายามฝึกหัดพยายามบำรุงพยายามคิดค้นให้แตกขแขนงออกไปเรื่อยๆธรรมปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นเองโดยที่เจ้าตัวไม่คิดค้นไตรตรองหรือไม่มีเหตุมาสัมผัสมากระทบระเทือิจิตใจต้องอาศัยเหตุ มากระทบกระเทือนจิจัจเนนะี่าายสายตาคิดค้นกอบหาเหตุหาผลนัสันดาเกิดขึ้นเมื่อได้ใช้อยู่เสมอก็ยอ่อมมีทางเจริญก้าวหน้าและแตกแนงออกไปเรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้อต่บำรุงรำต้นอยู่เสมอเมืออ่อปรากฏต้นขึ้นมาแล้วสิ่งการสาขาผลก็ปรากฏขึ้นเอง ปัญญาก็เหมือนกันความจริงแท้ตามหลักของการปฏิบัติปัญญาจะไม่เกิดเองโด ย, ยที่เฉยๆหรือปัญญาจะไม่เกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วคุณทราบด้วยดและทราบอยากสนใจด้วยสมาธิคือความสงบเป็นเรื่องของสมาธิเป็นประเภทหนึ่งเป็นอาการหนึ่งของจิต ยึดเป็นคุ ณ, คณสมบัติหนึ่งของจิตปัญญาเป็นคุณสมบัติหนึ่งของจิตเป็นคนละประเภทถ้าหากเราจะเราไม่สนใจกับปัญญาเลยมีแต่สนใจทางด้านความสนุกหรือสมาธิอย่างเดียวจิตของเราจะมีจิตอย่างเดียวจะก้าไม่ออกถ้าไม่นําปัญญามาใช้ในการคิดสวรใช้หรือเหตุการณ์ที่ควรชัดปัญญาจะไม่แสดงตัวออกมา นี่ได er so ้เคยแสดงให้เ pues พ nope ื่อนฟังหลาครั้งแ้วเหมือนซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองเมื่อได้เคยรู้เคยเห็นกันมาแล้วการพูดก็หรือว่าสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นนั้นก็เป็นอาจารย์ตนได้อาจารย์ของเราได้ดีแหนจะแสดงให้เจ็ผู้ใดฟังข้องไม่ข้องไม่เป็นความถึกเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นท่านว่าสีลปฏิภพาน สมาธิสมาธิมหาพราโหติมหาหิสั้นโกสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอังอใหญ่สุดมากสมาธิปิทาลิตาปัญญามหาพราโหติมหาหิสั้นปัญญาอุปมสมาธิอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอันอสุดมาก ปัญญาไปภาวิตังจิตตังสัมาเดวะอาติสีนุตจะติดจิตมืดปัญญาได้อบรมแล้วย่อมดุดพ้นจากที่ดุทั้งปวงโดยชอบนี่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นหลักทางอันตายตัวแต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะคิดว่าเมื่อมีศีลแล้วสมาธิจะมีขึ้นมเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิด ปัญญาเกิดแล้วจิตก็หลุดพ้นนีเป็นความคิดความคาดเอาเฉยเฉยไม่ใช่ความจริงความจริง น, นั้นถี่นแล้วก็รักษาให้เป็นถี่คือความปกติของกายว่าจ่าไม่ขนองทางกายว่าจ่และไม่เสริมโดยทางัดเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นอารมณ์ไม่เกิดความรุ่นแรงอันเป็นการก่อทุกข์ การทำสมาธิเพื่อความสงบของใจแต่เมื่อไม่มีอะไรเรื่องกบฏให้เบิกด้อนแล้วการทำสมาธิก็ย่อมมีทางสงบได้เพราะไม่เป็นนิวรณะมีเป็นอย่างนี้ปัาหากไม่ใช่มีศีลแล้วจะเป็นการสร้างสมาธิขึ้นหนึ่งตัวมีสมาธิแล้วจะรสร้างปัญญาขึ้นหนึ่งตัวอย่างนั้นหาไม่เราต้องทำเองครับจะทำจิตให้เป็นสมาธิ ด้วยอุบายวิธีใดที่เป็นสมถาวิธีที่ท่านแสดงไว้หลายแนย่หลายกระทบเพื่อให้เหมาะกับจิตใจของผู้ปฏิบัติท่านซึ่งมีแต่ต่างกันนั้นท่านกล่าวไว้ว่าสมถานสี่สนะิบข้อนะสังเกี่ีอนุสติสิเป็นต้นรวมกันทั้งหมดเป็นสี่สิบคำว่าสี่สิบนี้ไม่ใช่เราจะกว้างเอามาปฏิบัติ เมื่อชอบในทำบทใดในสี่สิทธีการนั้นก็ น, นาวิธีที่ตนชาบนั่นมาอบรมจิตใจอันเป็นแนวทางสงบด้วยกันายเมื่อไดอ้รับการอบรมด้วยความถูกต้องและทำที่เหมาะกับกจิตใจจิตใจของตนก็มีความสงบได้การสงบได้นั้นได้โดยวิธีสมถาวิธีต่างนไม่ใช่วิธีมีศีล นี้วิธีรักษาสีแดงสมาธิเกิดขึ้นมันเป็นคนละอย่างทาากันเข้าใจอันนี้เมื่อจิตในรับความสงบตามวิธีที่ทำโดยถูกต้องเนี้ยเป็นความสงบขึ้นโดยลําดับแล้วการที่จะเคลื่อนไหวทางสติทางปัญญาเราก็ควรจะให้เรื่องไร้ทางปัญญาก็ถือเอาไตรลักษณ์ใน สภาวการของเราทั้งหมดเป็นฐานที่ทำงานรือไรนะเป็นฐานเดนยไตรลักษณ์คืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วที่กล่าวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็มีเต็มไัหงดในร่างกายของเราทุกส่วนหรือในขันหา น, นี้เป็นกองแห่งไตรไตรลักษทั้งนั้รูปก็หมายถึงรูปกาย ก<ท>ายน <asthma> ี้มีอาการสามพิษสองผมขนเลี้ยฟผันหนังเนื้อเอ็นสะดูดยึดเรื่องมันก็ดุม้าหมักหัวใจตับทังผิดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารก่านี่นี่เรียกว่าอาการสามพสองอันเป็นส่วนร่างกายนี้เป็นธาตุอันนี้ก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกข์อนัตตาการพิจารณาใจรักเรามีความถนัดในใจรักดั พิจารณาใจรักณนั้นให้มากตามความถนัดของใจแล้วจะสามารถคืนช า, านติาป็นใจรักได้จนกระทั่งรู้รอบขอบจิตสมบูญณ์เต็มที่ความเป็นใจรักเพราะการพิจารณาหมายถึงรูปอเวท น, นาก็เหมือนกันเวท น, นาคือความสุขความทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจมีได้ทั้งสองสองสองอย่าง เวิทยาทางกายวทนาทางใจวิทยาคือความเฉลยที่ปรากฏขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆภายในร่างกายและจิตใจนี่ก็เป็นกองเห็นไตรลักษณ์คืออนาาิจจทุกังหะตังสัญญาคือความจําหน้หมายรู้จําอะไรก็าตามมันก็เป็นเห็นรลักอันเดียวกันแปลสภาดับไปขึป้นไปสูญไปเกิดขึ้นมาดับไปถ่ายอทอดไปเรื่อยๆอย่างนั้น สังขารคือความคิดความปรุงปรุงดีปรุงชั่วปรุงเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องเกิดต้แบบเนเต็มทางในงสังขารนี้ยินญาณเข้ารับทา้าสิ่งที่มาสัมผัสเมื่อสิ่งที่มาสัมผัสทานไปอันนี้ก็ดับลงเมื่อทานเข้ามาสัางขารกวรับทา้ารับทาา้าวระยะตั้งแต่เป็นแก่นละกา<ม>รพิจารณาเรื่องของตนางๆพิจารณาอย่างนี้หลัเราจะพิจารณาภายนอก รูปไม่ว่ารูปสินใดสภาวะธรรมประเภทใดที่มีอยู่ในโลกที่อยู่ภายนอกจากรางกายจิตใจอะไรนี้เป็นธรรมทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมเรียกว่าเป็นมากคได้ทั้งภายในภายนอกถ้าจิตพิจารณาให้เป็นมรรครู้เป็นธรรมเลยรู้เป็นเครื่องกําจัดกิเลสถ้าพิจารณาให้เป็นกิเลสแงภายในร่างกายนี้ก็เป็นกิเลสได้เห็นเห็นว่าร่างกายเป็นของฝึกเสริมนำได้แล้วให้ชอบใจก็เป็นการสร้าง กิเลสอาสวะให้เต็มคึ้งพันจิตใจแล้วก็ถามเขาจะต่าแน่เขาเดินน่ะนี่คือการสร้างกิเลสด้วยความคิดที่ผิดแน่ใจพิจารณาร่างกายพิจารณาไปเปี่ยก็เป็นขโมยถ่ายคือเป็นกิเลสได้ภายนอกก็เหมือนกันพิจารณาเห็นว่าสวยงดสวยงดงามภายรอกก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องเนื้อต้องใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆพิจารณาตรงกันข้าม ก็เป็นมากน่าหยื่องอุบาลของปัญญาให้พากันคิดกันพ้นอย่าอยุ่เฉยในขณะที่จิตมีกําลังทอที่จะพิจารณาโดยอาศัยสติเป็นคู่ควบคุมงานอยากให้เผลอในขณะที่พิจารณาจนปัญญาเกิดขึ้นรู้เหตุรู้ผลเข้าใจอาการต่างๆอย่างร่างกายและเข้าใจเรื่องของจิตหลิ ประเทศใดที่ครรนละได้ด้วยปัญญาแล้วมันก็รักมีเรียกว่าเห็นผลทั้งของตัณญ า, าที่ทําหน้าที่จากนั้นก็ค่มีความดืดดึงทางด้านตัณไม่ว่าทํา ง, งานใดก็ตามคนเราถ้ามีแต่ทาให้เกิดผลเกิดประโยชน์นอันใดแล้วมันก็ที้เกียดมันมีผลของงานเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมามากน้อยก็ให้เกิดความพอ อ, อพอใจ ที่จะต้องเพียรพยายามในงานนั้นต่อไปจนกระทัางถีงงานนั้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จเขาได้มากในใ จ, จิตใจเมื่อเราทํางานผลขึ้นมาพอเป็นสักขีพยานแล้วความเพียรความเพียรไปเองมีความขายันเพียงความอดความทนมาด้วยกั น, นการพิจารณาปัญญานอกที่บาดเพียงขั้นนี้แล้วก็อาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้สมกับทางด้านปัญญาเราอยากเข้าใจว่าปัญญาสมาธิเต็มที่แล้วจึงปัญพิจารณาปัญญาได้นอกจากว่าสมาธิเต็มที่แล้วปัญญาจะเกิดอันเป็นความเข้าใจถึงได้้เกิเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิเต็มที่แล้วจึงค่อยพิจารณาปัญญาอันนี้ก็เป็นความูกเหมือนกันสมาธิคือความสงบใจที่มีความสงบย่อมบ่นยอมไม่มหิ้โหยกับอารมณ์ต่างๆที่ คิดตรงนี้ต่างๆซึ่งเคยคิดมาแล้วด้วยความมือหงุจิตจะสงบตัวความที่จิตสงบตัวนั่นแหละเราจะนําจิตไปใช้การใช้งานอะไรโดยมีส้ิตเป็นเครื่องควบคุมที่จะนาต่างด้านตัางๆมันก็ทำหน้าที่มตจนไม่เต็ ม, ต ม, ตมจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามกําลังปัญญาท่านนั้นๆไปโดยลําดับหรือเมื่อเห็นจริงเข้าไปมากปัญญาไม่ต้องบอกอเึียงมือุดงตัวไปเองเพอเห็นผลแบบ คนขี้เกียจอยู่ได้อย่างนไงเหมื่อเห็นผลแล้วเป็นที่ต้องเมื่อต้องใจจิตก็ต้องมีความก็หยิบมีความหนักหน่วงในทางความชาติเรียนไม่ลดละถอยหลังไปไม่เลือ่อนอทนนี้จิตก็เรียกว่าได้รับการแก้ไขถอดถอนที่เกียประเภทต่างๆออกจากจังสมกับจิตนี้นเรียกร้องวความแค่เหลือจากเราคือสติ ป, ปัญญาเฉย เมื่อถูกถอดถอนออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เรื่อ่่อ่่ออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่พ่่่ออญญ่่รร่่่่น่ี่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่ด่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไม่แค่สัญญาอารมณ์จะไปตัดไปที่ปัญหาอสุรกายแล้วก็สําคัญตัวว่าบุดพ้นไความบุดพ้นด้วยความสําคัญนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของสัญญาแล้วไม่มีความสําคัญเห็นความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าที่เี็ดประเภทนี้ขาดไปแล้วประเภทนั้นยังอยู่ที่มาเก็ไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยขาดไปเรื่อยไม่ติดต่อโดยลำดับต่อไปจนกระทั่งถึขาดประเด็นออกไปโดยที่เฉยจากสมมติทั้งหลาย คำว่ากิเลสแต่ประเภทใดก็ตามคก็อยู่ในขั้นสมมตุติคำว่าธรรมที่เป็นคู่เทียงกับกิเลสเป็นเครื่องแก้กิเลสทุกประเภทก็เป็นสมมุติเหมือนกันเช่นอย่างสมาธิปัญญาเป็นต้นนี่ก็คือสมมุติธรรมเครื่องแก้เรื่อ ม, มต่อมือเมื่อสติปัญญาได้ทํำการแก้กิเลสกับถอนกิเลสออกจากใจหมดโดยสิ้นเกิงแล้วปัญญาก็หมดหน้าที่ไปสติก็หมดหน้าที่ไปในการ พวกกลุ่งานเพื่อถัดถอนพิริยะนะครับเรื่อทุกประเภทก็หมดไปจากใจหลังจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดอีกพูดได้พียงว่าจินปริสุธิ์หมดหน้าที่ทำงานได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เต็นที่เลวนี่แหละทรหน้รรมมา ก, กรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างแน่นดังที่สุด ตัวน้าโตรรว่าตาทำมทือเรียกว่ากลากับไว้ชอบแล้วคือทำอันพระภูมิพระค่ากลัไว้ชอบแล้วคือชอบทุกแง่งทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายไม่อว่าแบบแบกรรอย่างไรอีกพูดถึงเรื่องพิเดก็ชอบทำการอุบายวิธีแค่พิเดก็ชอบทำถูกต้องอป็นหมดถ้าเรานําอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่สอนให้แล้วนั้นมาปฏิบัติเราจะต้องเห็นเป็ เ, ปเราเป็นผู้ผอถอนถอนที่เดกค่ะ โดยลํำดับลำดับยามก็ะจักใจด้วยกันห้ามทาคำเน้นหนักทางความภักเยี่ยงจากสนใจกับสิ่งใดในโลกนี้ซึ่งเคยอยู่เคยอายเคยเป็นเคยตายเคยทุกข์เคยลํำบากมาแล้วไม่ห่าสงสัยสิงที่เราดังไม่เคยเห็นแต่จองกราทั้งหลายท่านรู้การเห็นท่านรกมาทุกสิ่งรู้อยากจนกระทั่งสิงเป็นจองโลกก็คืดความเดียวสิ่มุ่งหวังจิตใจกระทั่งสิ่งคิดไว้ให้สูงเสมอ วความเพียงเป็นแค่หนอย่าเป็นแต่เพียงความต้องการอยากรู้อยากเห็นแล้วมันประอกอบความท้าเพียงให้เป็นเม็ดเป็นในห้สมเหตุสมผล น, นั้นก็ไม่เป็ประโยชน์นอันใดจีตเป็นของประเสริฐมากเมื่อได้ทำ แยกหรือถอดถอนสิ่งที่สกปกโซงงมันเป็นของต่ำช้าเร็วตามหาคุณค่ามะไ้ออกจากใจแล้วรับจจะเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าเหนวานก็จับกับตนเองโดยไม่ต้องไปถามใครเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอยู่ที่ไหนกน็สบายไม่ว่าอียญาบทใดเรื่องการเกิดการตายดลดวจะไปเกิดที่ไหนอะไรหมดปัญหาไปค้ามคกามปัญหสิ่งเหล่านี้เป็นสมบู ผิดนั้นได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องก่อควนให้สงสัยหรือกังวลต่างๆจิดได้ผ่านพ้นแต่หนุนแล้วสงบปัญหาเมื่อคิดยังมีอยู่รับผิดชอบกันไปเรื่องขาดเบื่องขันเจ็บไข้ได้ป่วยมีความหิวความกระหายอยากหลับจากนอนข้อบกัดนะักสารับผิดชอบไปทางํานาจหรือไปตามกาาเข้ามา เมื่ออันนี้ไปไม่รอดแล้วขาดฐานนี้หมดกําลังแล้วพ่าปล่อยเคลียร์ปล่อ ย, ปอย่างสะดวกสบายไม่มีอันใดที่จะมาทํากิจการให้เกิดความกังวลรุนหนักหน่วงทวงใจลงไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาคราดทิ้งความกังวล น, นี้ไปเสียได้ในขนานั้นแล้วข้อเรียกว่าหมดตังวลทีนี้ไม่ต้องอผูกนิพพานอีกที่ พราะผู้นั้นไม่ไม่เป็นผู้สงสัยนิพพานผู้นั้นคือนิพพานอยู่แล้วถามหาใครถามไปที่ถามใครธรรมชาตินั้นเป็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วกับตนเนี่ยตนจะไปถามใครนี่แหละที่ว่าตะพุทธที่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราปะทับตนคือเห็นอย่างนี้ใครเห็นก็าตามจะไม่ต้องไปทูลถามคาพุทธศาสนหรือ ถามถามวัคคุณใดก็าตางเพราะเป็นธรรมเสมอกันเหมือ น, นเป็นความจริงเป็นส่วนด้วยกันแม้แม่เคยเห็นเมื่อเห็นเขาแล้วเจอเขาแล้วก็เป็นอนัตตหมดความสงสัยทัน ท, ทีเนี่ยผู้เห็นตะาโครเห็นอย่างนี้ปีนใจนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่พอตัวหายสงสัยทุกแม่ทุกนี้ ขึ้นคือว่าสมมูติม่สามารถเคลื่อนใจตอบสนองทำงานต่ใจได้แน่ที่ฝุดเพียงความสงสนิ ด, นดในเรื่องตัวเองก็ให้ถึงว่าไปสบายหายห่วงนี่คือผลแห่งการปฏิบัติต่างทุ่มเทกําลังเอาเป็นเอาตายลงไปผลเป็นเครื่องตอบแทนอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดสำหรับูดต้องการความ อ, อ, อด้นจากความทุกข์ใจคำว่ากองทุก็คือห่วงแห่งสมมูินั่นแหละ วางสมมตินั้นอยู่ในความรักผิดชอบที่เราอันใดบ้างมีสิ่ในบ้างก็คือร่างกายเป็นสําคัญนอกจากนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับผู้เสียงินเพิ่มเครื่องท่องปราักชอบต้องการสิ่งนั้นให้เกลียดสิ่งนี้มันเกี่ยวโยงกันไปไม่มีที่สิ้นสุซึ่งด้วนแล้ตั้งแต่เป็นเครื่อ ง, องก่อกังวลสร้างทุกข์ให้ใจิตใจในรับความยำ บ, บักระ บ, บุตลอดมาไม่มีนนความกระดที่ไห น, นเรื่องของคน ถ้าเมื่อได้มีธรรมขึ้นเป็นเครื่องเทียบเทยงกันแล้วเราจะเห็นความต่ําสมมุติกับความสูงแห่งธรรมาัดเจนภายในจิตใจดวงเดียวกันนะหากมีธรรมเป็นเครื่องปรากฏพอที่จะมาเทียบเคียงกันโดยนั้นจิตกจเก็ไม่ทราบว่าทํามเป็นอย่างไรพอจะเห็นตั้งแต่สิ่งสมมุติทั้งหลายว่าเป็ น, ปนของดีของไม่ดีเรื่อยๆแต่ละดีเยี่ยมไห่นั้นเยี่ยมอย่านี้เป็นเหตุปลุกจิตใจให้เป็นยั่วยุ จ, จิตใจให้กำลังเส ร, มมเริม ส, สารนไปเรื่อยๆ แล้วหาลหลักหาเหาากณฑ์ไม่เจอแม้ที่ถึงตาก็ตายขึ้งเปล่าๆด้วยความหวังเต็มหมวอย่างแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสร้งความหวังนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราผู้ไม่ต้องการเช่นนั้นเราสร้างความหวังให้ตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยตัวของเราเองให้รู้ให้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ด้วยค่ามเมตตาอยา่างจเิี่ยงประพฤติปฏิบัติให้เห็นทำที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วทั้งฝ่ายผิดและเห็นผลมาแล้วทั้งฝ่ายผลเป็นที่พอประทายได้จริงนํามา ส, สองโลกไม่มีการไม่มีสถานที่และไม่ถือว่าเป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดศาสาธนาธรรมเป็นของแกรว์ใครน้อมมาปฏิบัติก็เป็นสมบัติของผู้นั้นคําว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีทอมอยู่แล้วที่จะเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติ มีนักบวชพวกปฏิบัตินี่เป็นต้นที่จะสามารถลงทำแบบนี้ได้น <c oughs> อกจากนั้นก็ไม่แ น, น, นสส่นิ่งนอนนะนักบวชและนักปฏิบัตินี่เป็นพวกที่แน่นอนมากกว่าพวกอืนหนึ่งเวลานี้เราเป็นอะไรเอาเป็นนักบวชนักบวชนักปฏิบัติพริกขูดทั้นแปลไว้สองอย่างแล้วขู่ขอประกรันอันนี้เป็นทางแปลแบบรโรคๆก่อ แต่ว่าผู้ขอเขาเมต้าผลนิมก็นับเป็นตะวันบวชมาแล้วก็เป็นธบัดเพราะทานเพราะด้วยเทศสมณะขอแบบทานแบบนั้นอันหนึ่งท่านแปลว่าพิสูจแปลว่าผู้เห็นถ่ายปฏิบัติตนให้เห็นถ่ายไทยมีอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นหลักใหญ่ใจเป็นผู้ก่อเหตก่อภัยก่าทุกข์กว่าความหมกข์ข้งหลายพยายามแก้ไขดับแปงจิตใจของตนเอาขานพิเรดด้วยตับธรรมคือความภาคเพื่ออยากลดละท้อถอย ตายก็ตายโลกนี้มีตัดชาคนไม่ถือศาสนาะไม่รู้จักศีลจักทางเลยแนมะ้แต่จักเจริญชันอันนี้ก็ต้องตายมกันผู้ประกอบความภักเทียนเพื่อมะผลิทานก็มีการตายตายขอให้ตายด้ยความสมหวังตายให้มีหลักมีเกณฑ์สร้างหลักสร้างเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติธรรมทำมะกรรมบัดเข้าสู่ใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเรียากหลักสมหวั ง, งมีหลักมีเกณฑ์ ตายที่ไหนก็ตายสะดวกประมาณไปหมัยถึงผมเป็นหวงก็มีเชื่อนมากหนาะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการอบรมสั่งสอนเสมอเพราะเราเคเป็นผู้น้อยมาแล้วได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์ลึกสึงว่าจิตใจเต็มตื้นขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับต้นไม้ที่รับการบำรุงการขาดการได้ยินได้สั่ง เนี้ยจะประกอบความภาคเพลินค่อยรู้สึกไม่เต็เมไม่เต็มหน่อยด้วอาศัยธรรมะม ท, าท่านสดสงลงมาที่หวัวใจมีเรียกคือรู้สึกว่าชุ่มชื่นเมบิกบานเพราะฉะนั้นภาคปฏิบติการฟังธรรมในขณะที่ได้รับการอบรมจากการแสดงธรรมยิงเป็นภาคปฏิบัติอันสาคัญยิ่งกว่าภาคปฏิบัติใดๆเพราะการฟัขอขอของธรรมทำจิตให้มีความสงอบได้ในขณะฝ่งาง่ายกว่าที่เราทําโดยลำทาง อุดที่หน้ามันปัญญาก็มีความคล่องแคล่วแก่กล้าขยับไปตามโอวาทที่อาารสอนไปทุกระยะระยะระยะอ ย, ะะยะับคล่องตัวส่วนมากผู้ฟังต้องจิตต้องมักต้งสมองอย่างน้อยอาขั้นปัญญาแล้วก็ต้องขยับตาให้ค้นให้ดีของวิเศษอยู่ภายในหัวใจเวในนี้ของสกปรกโสมงสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้ สึงที่ต่างช้าเนี่ยตามพุ่มหอดจิตใจใจจึงเป็นเหมือนกับไม่มีคุณค่าเราก็ไม่ทราบว่าใจของเราไม่ไม่ม ค, ค่าเมื่อเราไม่สรามนั้นนะจึงเห็นสิ่งภายนอกนั้นว่ามีคุณค่านั้นว่าดีนี้ว่าดีใ น, นคุ่งเพเหมิมไปตามอย่นั้นแล้วราคาต่อๆมันเกิดประโยชนอะไรการปฏิบัติธรรมจึงมีเครื่องวัดเครื่องตวงมีเครื่องเทียบเทียบกันพอรู้ว่านั้นดีอันนี้ช่วยแล้วก็แก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยนะ จิตได้มีความสงบภายในใจแล้วอยู่ที่ไหนก็พออยู่พอเป็นต่อไปพราะจิตสงบไม่ก่อขวนตัวเองอ่ะลําดับไปต่อไปก็คือปัญญาที่จะนากตรอสให้มองทะลุไปหมดตัดโลกทั้งหลายทั้งเขาทั้งเหล่าเป็นเรื่องกองท่ากองขันกองทุกข์ก็ตั้งแต่พื้นเท้าบนถึงมืถึงที่จักรตั้งแต่มือจกรลงมาถึงพื้นเท้าเนี่ยขันขันแปลว่าหมดแปลว่ากองก็คือกองทุกข์นั่น ขันห่านี้มันมีความสุขที่งหนพี่นาดีเป็นไงสบานีหรือว่ามันไปนั่นเดียวธรรมชาติของร่างกายแล้วไม่เห็นสแสดงความสุขให้เราตากรดนอกจากใจเท่านั้นเป็นผู้สแสดงความสุขและทุกข์ให้ตากรดอย่างเป็นช้ากับทุกข์กดกับทุกข์สัตว์ร Step ่างกายแล้วมันสมบูรณบริวูรเต็มที่มันก็อยู่ตามําพังขอ ง, งมันมันไม่เป็นโลกเป็นการอะไรเพราะว่าชมวนาดีความจินร่างกายไม่สแสดงความสบายให้เห็นเลยใจเป็นของต้องการแสดงความสุขความทุกข์เห็นอย่างชัดเจนพระท่านตรงษแก่ แก้ตรงที่จุดนี้แก้ได้แล้วหระแสงสมัยต่ออปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟังเราจะเห็นได้ชดัดๆนะชาระจิตให้จนบริสุทธิ์ไม่มีอะไรสิ่งใดเข้าไปแสงเลยแล้วจะไม่มีเรื่องอย่างนี้ลู่กับลู่อย่างนั้นแม้ที่สุดคำว่าผ่องใสก็ไม่เห็นเหม็นผ่องใสแบบให้ติดปกติดใจมันก็เป็นเรื่องสมมุติความติดใจความ ผูกพันในความหลงใยเราจะว่าถึงความเข้าหมองเลยแม้แต่ความหลงใยก็ไม่ปรากฏเพราะจิตมันนี้เป็นเรื่องสมมูิทั้งหมดเมื่อจิตได้ผ่านก้าวจากสมมูลไปแล้วควาําว่าความหลงใยความเข้าหมองหรือความสุขความทุกข์ภายในใจแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏเพราะจิตดรงนั้นผ่านพ้นไปแล้วจากสมมุติทุขเวทนาไม่ก็เป็นสมมุติเมื่อสุขเวทนามีภายในจิตทําไมทุขเวทนาจะไม่มีภายในจิตเมื่อเป็ น, นนั้นจิตก็ยังเป็นภาชนะสำหรับรับสมมูิได้อยู่ ไม่ได้ทำลายสมมติหมดจิตที่ทำลายสมมติหมดโดยที่เชิงแลนะ้วอะไรจะเวทนาไหนจะเขาจะแทรกนั่นแล้วถึงมีค่าพูดว่าพระาราหันตายตายเมื่อไรตายที่ไหนทางเรื่องอะไรด้วยเหตุผลกลกไกอะไรก็ตามก็ถูกคาถาล้วนหลวันหวานถ้ามีปัญหาอะไรกับสมมติคือการตายกิจอาชีพการตายต่างๆนั้นเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดความไม่สุดวิตถิสุดเป็นสุด จึงไม่ยึดถืจารเรื่องการเปินการตายตายแบบไหนท่าไหนจะยืนตายเดินตายนั่งตายนอ น, นตายไม่มีปัญหาก็เป็เรื่องอาการของสมม ต, ติฐานเราจรึงได้เชื่อที่ว่าพระแม่พรวิจารณตั้งหวังตัดพิจารณาเห็นพระอรหันต์แสดงท่านิพพานให้ดูพระองค์เดินจงกรมเดินนิพพานเดนินคม น, นิพพานให้ดูพระองค์นั่งนิพพานให้ดูพระองค์นอนนิพพานให้ดูพระองค์ ยืนี่ผ่านให้ดูทําอะไรก็จะเป็นอะไรนี่เมื่อผ่านจากสมมุติไปหมดแล้วอยู่เหนือสมมติแล้วทุกขเวทนาเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้อย่างไรความบริสุทของจิตเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องอาการของขันที่มันสแสดงกันต่อกั น, นทุกขเวทนากับขันมันเป็นสมมุติด้วยกันมันสแสดงต่อกันเห็นไห เดินสามารถเดินเป็นคนนิพพานได้อย่างสบายเมื่อหมดกําลังแล้วก็ยุบยอดลงนั่นเลยยืนก็เหมือนกันเมื่อหมดกำลังแล้วก็ยุบ อ, อย่างนี้นนนนนนนนถ้ า, าไม่ล้มแบบนี้นะไม่ล้มแบบทั้งายทั้งอะไรอย่างนี้กัดูย่อเปงนี้เลนั่งเหมือนกันยออน่อพอเย็นแล้วค่อยลงมันอ่อนล ง, ลง ไ, ปไปเลยนั่นนิพพานแล้วเวลายืนนิพพานก็เหมือนกัน ย่อลงไปแล้วก็ค่อยลงไปธรรมดาธรมดาเดินโน้นนันกันพอถึงที่นั้นแล้วหยุดเกือกนั่ง ค, คือเหมือนปุย น, น, นุ่นธันว่ากันนะอ่อนนิ่มอาการท่านที่เขณาที่ท่านปูงขันนิพพานในท่าต่างๆเหมือนปุยนุน่นธันมดาอ่อนนิ่มไเลยไม่มีอากับกิริยาที่ เป็นเหมือนโลกด้วยทรรนทุรายริรสมรสาอะไรเจ้าอะไรมาลิษัมอะรตรงจิดขนาดนั้นแล้วเราเชื่อ100ร0 0กว่เปเพราะไม่มีปอันเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเมตุ น, นั้นได้อันอย่างพระพุทธเจ้าไปริธิพานก่อนจะเข้ารุ่นพานทรงเข้าสมาธิธรรมบัตรมีปฐมฌานเป็นต้นนั้น ท่านทรงแสดงนวดลาให้สมกับความเป็นศาสดาของโลกต่างหาอืกตามพระอภัยษัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อจะแก้กิเลสที่ทำละกิเลสที่ต่อสู้กิเลสในขณะตายนี่คือขณะนี้ผ่านหาไม่นี่โลกที่ขนาดเป็นศาสดาเอกของโลกทําไมขณะที่กินนี้ผ่านจะไม่วางนวดลายของศาสดราไว้เป็นเวลาสุดท้ายมีอย่างหรือต้องวางเราเห็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้น ส่วนพระหารทาหลายท่านถนัดทางใดท่านก็นิพพานขงท่านตามแบบให้ตามความถนัดของท่านธรรมะสมาีิจาบัตดเป็นไปตามลายของบุคคลแต่ละบุคคลเป็นไปตามพรหารแต่ละประเภทเป็นประเภทใดมีความถนัดยังไงนิพพานในท่าถนัดของท่านระดวกสมบาย เรียนมินทาบาร์มีเรื่องคุยกันดูหัวใจเจ้าของเดินไปให้ดูหัวใจเจ้าของไปตลอดทั้งไปทั้งกลับอย่าเผลอนั่นท่านเรียก่าความเพียรเป็นกิจวรรัตรจินไปบินทาบารเป็นกิจวรรัตรอันหนึ่งของพระซึ่งเป็นความจำเป็นถ้าว่าไปเพื่อหากลิ่นไม้เฉยนะั้นมันไม่เป็นกิจวรรัตรพระว่า <c oughs> <c oughs> ไปแบบพระที่ห้ามเป็นผู้มีสติสตังถือนั้นบอมนี่แบบคนเผลอสติคนเลื่อนรอยไปด้วยท่าของรวงมอันดีมีสติเป็นเครื่องควบคุมตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้มีบิณฑบาตเป็นวดัดสมมาววัดหน้าคุให้มาสาบายไม่สนใจว่าเป็นหญิงเป็นชายดูในบาทนั่นเป็นทาามือยื่นเข้ามาในบาทก็เป็นทา่า เขาพูดหมนยิงคาบเราป็นคาบด้วยกันหมดัำนะทำเนลาเขากระจายที่พูด